มังกรหยกหภาคกำเนิดจอมมารเท่าสารพัดพิษตอนที่หนึ่งตอนสำนักจอมมารกับด่านทดสอบสำนักไตรบุผภาที่เคยเนืองแน่นคลาค่ำด้วยผู้คนมากมายมาวันนี้กลับเบาบางมีสิบเพียงไม่กี่คนซึ่งต่างกำลังสับสนและทอแท สิทธิพี่ท่านคิดว่าเส้นทางที่เรากำลังบําเพญอยู่นี่มันถูกต้องแล้วหรือบุพผาทิพสิทธิผู้น้องเอ่ยถามขึ้นบอกตรงๆข้าเองก็ไม่สู้จะแน่ใจนักไม่รู้ว่าเราทั้งหลายกำลังอยู่ในด่านทดสอบหรือมองอีกด้านหนึ่งเรื่องด่านทดสอบอะไรนั่นล้วนไม่มีจริงเหลวไหลทั้งสิน้นวิชาทั้งหลายที่เราพร่ำปรก ฝึกเปรือและคาดหวังเป็นอย่างยิ่งไม่สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตจริงได้ซึ่งข้าเองก็รู้สึกคับข้องใจเป็นที่สุดตั้งใจอยู่เหมือนกันว่าจะต้องหาโอกาสไต่ถามท่านอาจารย์ให้รู้แจ้งกันไปว่าไอทีเราตะบันฝึกอยู่นี่มันเพื่ออะไรกันมีคุณประโยชน์แน่หรือหลายวันผ่านไป สิทธ์ทั้งสองศบโอกาสยามว่างจากผู้คนสามารถที่จะพูดคุยกับท่านอาจารย์เนการส่วนตัวท่านอาจารย์ขามีคำถามที่จะต้องถามท่านให้ได้สนหิมะยิงคำถามที่ขับข้องใจขึ้นว่าจริงๆแล้ววิชาที่เราฝึกนั้นเพื่ออะไรมีประโยชน์ใช้ได้จริงหรื อ, อยายท่านปล่อยให้อายานาศ ซึ่งเป็นสิทธิใกล้ตัวท่านทำร้ายผู้อาวุโสบาททองได้จนมีผลต่อการดำรงอยู่ของสำนักเหล่าอาจารย์เท่าผู้มีผมขาวปละปลายไหลอูมหน้าตาอิ่มเอิบในตาดุดมังกรเหินฟ้าได้แต่ยิ้มน้อยๆก่อนจะกล่าวว่าก็เจ้าไม่ใช่หรือที่เฝ้าติดตามอ้อนวอนข้าอยู่ถึงสมปีซ้ำยังกล่าวว่า ขอเพียงได้ร่ำเรียนวิชาจากข้าแม้จะลำบากเหนื่อยยากสักเพียงไหนก็ไม่หวนคนเราทุกคนมีกรรมเป็นของตัวอุปสรรคนั้นมีไว้เพื่อสร้างคนพวกเจ้าทุกคนเพียงหวังแต่เพียงว่าจะได้ฝึกวิชาที่ทำให้เป็นคนเหนือคนแต่วิชาที่ข้าสอนมีแต่สอนให้เป็นคนธรรมดาธรรมดาที่สุดเท่าที่จะธรรมดาได้ ปัญญาเป็นเลิศ ก, กว่าคุณทั้งปวงรองจากนั้นก็คือความอดทนหาใช่พลังลมปานไหมพลังยึดขั้นสูงสุดคือคุณพิเศษอันใดไหมแม้เจ้าจะฝึกฝนจนเหาะเหินเดินอากาศได้แต่เมื่อยังไขปมปิศนานี้ไม่ออกก็ยังถือว่าสอบตกเราทุกคนล้วนถูกทดสอบแม้ตัวข้าเองก็ไม่ถูกละเว้นมิฉนั้นในยุทธภพ จะขนานนามข้าว่าจอมมารเท่าสารพัดหรือพิษหรือฮ่ฮฮณวัดเส้าหลินเสาหลักของบูริมเช้าวันนั้นลานยุทธที่เคยเซ็งแซ่อืออึงวันนี้กลับเงียบสงัดผิดปกติเหล่าศิษย์ที่เคยมาฝึกวิชาอยู่เป็นประจำล้วนขาดหายไปหมดสิน้นเกิดอะไรขึ้น วันนี้ทำไมไม่มีใครมาไต้ซือไต่ถามขึ้นทุกคนกลัวไม่กล้ามาหลวงจีนลานวัดตอบกลัวอะไรข่าได้ยินมาว่าจะมีจอมมารมาถล่มวัดจิตใจเขาอำมหิตฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นอีกทั้งลงมือได้โดยไม่ละเว้นแม้เด็กสตีหรือคนชราทางสำนักอื่นไม่ว่าจะเป็นหัวซานงอใบล้วนถูกถล่มจนเย่ยยับหมดสิ้นไปแล้ว ไม่เพียงแค่นั้นท่านใต้สือข่าวยังล่ำลืออีกด้วยว่าจอมานนั้นร้ายกาบมากแค่หายใจรถผู้ใดผู้นั้นไม่อาจมีชีวิตรอดได้เพียงข้ามคืนหรือแม้แต่ลอยเท้าที่เดินผ่านหากใครไปเหยียบเย่อเดินซ้าเขา้ายังได้รับพิษเช่นกันมันเป็นผู้ใดเจ้ารู้ไหมท่านใต้สือมันร้ายแรงเกินกว่าที่ท่านจะคิด จอมานที่ล้ำหลือหาใช่ใครอื่นใหม่แท้จริงแล้วคือเจ้าสำนักไตรบุผานั่นเองเหลวไหลข้าไม่เชื่อท่านมังกรที่วาเจ้าสำนักไตรบุผานั่นนั่นหรือคือจอมมานมันเป็นไปได้อย่างไรฉลอยเรื่องนี้เขาว่าอาจจะมีเงื่อนงำพวกเจ้าลงเขาไปกระจายกำลังสืบหาข้อเท็จจริงมารายงานข้าด่วนณนะสำนักบูตึงทวนตะวัน สิทธิ์อวโสแห่งสำนักไกรบุผาคารเข้ามาด้วยอาการบาดเจ็บท่านทวนตะวันเกิดอะไรขึ้นกับท่านหมอกเงินสิทธิ์บูตึงเอ่ยถามคารีบมาเตือนภัยสำนักท่านอาจารย์ข้าถูกมานโลหิตเข้าครอบงำมิอาจควบคุมตนเองได้เที่ยอวอาวาสบุกทำลายสำนักน้อยใหญ่ ข้าพยายามยับยั้งท่านอาจารย์แต่ข้าไม่สามารถรับมือท่านได้จึงบาดเจ็บและรีบหลบหนีมาเตือนภัยสำนักท่านข้าหมอกเงินสิทธ์บูตึงหนึ่งในเจของผู้อวาวุโสเจ็ดดาวเป็นผู้หนึ่งที่รู้จักท่านมังกรทิวาเจ้าสำนักใจบุปผาดีสำ่านยังเป็นผู้นำเข้าข้าเข้ามาฝากตัวกับท่านปรมาจารย์เตียสัมหงเจ้าสำนักบูตึงแห่งนี้ ภายหลังจากที่ข่าหมอกเงินผ่านการฝึกฝนขั้นพื้นฐานจากท่านมังกรที่วาแล้วดูจากบาดแผลที่ท่านบาดเจ็บก็ไม่ใช่กระบวนยาดของท่านมังกรที่วาเลยมิทันที่มองเงินจะกล่าวต่อไปก็ถูกทวนตะวันโถมเข้าใส่ซัดฝ่ามือปลิดชีพลงจุดหินตกจนหมดสติทันทีแล้วจึงตะโกนเสียงประหนึ่งตกใจดังขึ้นทั่วสำนักว่าท่านหมอกเงินถูกทำลาย ท่านมองเงินถูกทำลายท่านมอกเงินถูกทำลายเป็นขณะเดียวกันกับคณะหลวงจีนจากวัดเส้าหลินมาสืบข่าวที่สำนักบูตึงพอดีท่านหมอกเงินได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับอาจารย์ข่าทวนตะวันแซงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ตื่นตระหนกที้ไปจอนเขาดูเต้นอ่อนมากดูท่าจะไม่รอดเห็นทีว่า ข้าจะรีพาท่านกลับวัดเส้าหลินรักษาอาจจะพอมีโอกาสบ้างเสียดายพวกเรามาช้ามิทันเห็นว่าท่านมังกรที่วาทำร้ า, ายท่านใช่หรือไม่สามเดือนผ่านไปแมหลวงจีนจากวัดเส้าหลินจะพยายามให้การรักษาอย่างเต็มที่แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้หมอกเงินฟื้นคืนสติได้ข่าวลือก้องไปทั่วยุทธภพ กิติศัพท์จอมมาร น, นับวันยิ่งโด่งดังถึงจอมยุทธ์ทั้งหลายมาบัดนี้จะเชื่อว่าจอมมารนคือท่านมังกรทิวาเจ้าสํานักไตรบุผาแต่ก็ไม่มีใครกล้าออกมาประมือด้วยตรงๆล้วนแล้วแต่ใช้ลิ้นเป็นอาวุธทั้งสิน้นฝ่ายเส้าหลินแม้ว่ามั่นใจว่าจอมมารนนั้นไม่ใช่ท่านมังกรทิวาแต่หลักฐานและพยานในเหตุการณ์ล้วนผูกมัดจนยากที่จะช่วยแก้ต่างให้ได้ มารหรือเทพไหนเลาจะแตกต่างกันหากใจพวกเจ้ายังมีสมมุติบัญญัติและวันไหวอยู่เช่นนี้จะถูกยกย่องเป็นจอมเทพหรือถูกเท้าทูนเป็นจอมมารให้แล้วแต่ฟ้าลิขิตเถิดใหญ่ต้องดิ้มล่นให้เหนื่อยเปล่าประตูสำนักไม่เคยปิดและไม่เคยเปิดจะอยู่หรือจะไปแล้วแต่ใจสมัครเถิดฮ่าอะอะอ ะ, อะ จอมมารเท่าหัวเราะก้องฟ้าหลังจากทิ้งประเด็นปริศนาแก่สิทธิ์ให้ไปตัดสินใจแล้วเดินจากไปอย่างไม่ยินดียินร้ายกับเรื่องราวทั้งปวงใครคือมารมารคือไข่ฟ้ารู้ดินรู้วินอยู่ชนหารู้ใหม่เวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์พบกับที่มาของฉายาจอมมารเท่าสารพัดพิษได้ในตอนต่อไป